เป็นนักปลดประเภทปริภาชกได้เดินตามสมณรูปนั้นไปห่างๆกิริยาอาการของสมณะจับตาจับใจของเขายิ่งหนักเขาคิดว่าภายในของสมณรูปนี้น่าจะมีรัศมีแห่งธรรมอันประเรสริฐส่องแสงเจอจ้าอยู่เป็นแน่แท้จึงทาให้ท่านมีอินทรียสงบและผ่องใสเช่นนั้นมาถึงบริเวณร่มไม้ใหญ่แห่งหนึ่ง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 แต่บริโภคเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีเหมือนในช่างให้น้ามันแก่เครื่องจักรเพื่อให้ทำหน้าที่ของมันต่อไปได้เท่านั้นเมื่อท่านฉันเสร็จแล้วบริพาชกได้รินน้ำในกุโถของตนเข้าไปถวายแล้วถามว่าอินทรีย์ของท่านพ่งใส ย, ยิ่งนักมรน ญ, ญาตของท่านงามยิ่งนักผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผ่องใส ท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจทาของใคร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 ความสุขที่แท้จริงของชีวิตจะมีได้ก็ต่อเมื่อความไข้แห่งราคะโทสะและโมหะถูกกําจัดหรือเยียวยาให้หายแล้วโดยสิ้นเชิงโลกระ ง, งมอยู่ด้วยพิษไข่อันเรื้อรังคือตัณหาความร่านใจทยานอยากอันไม่มีขอบเขตสัตว์โลกถูกเพลิงกิเลสและเพลิงทุกแผดเผาให้เร้าร้อนไม่เกรียมแต่ก็ยังโลดแล่นไปในทะเลแห่งความอยากอันเวิงวาง ความทุกข์ทนหม่นใหม่ต่างๆจึงมีมาความทุกข์เป็นสิ่งที่ดับให้หมอดได้แต่ต้องดำเนินตามมรรคปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อความดับทุกขนั้นตอนที่ 3, สทรงบรรลือศีหนาฏยางอาถรรพ์ว่าตราบใดที่ยังมิได้รู้อริย ส, สัจสีซึ่งมีสามรอบ12อาการแล้วจะไม่ทรงปฏิญาณพระองค์ว่าเป็นสัมมาสัมพุทธโธเลยแต่เพราะได้ทรงรู้จริงในอริยสัจสี่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 ดูก่อนท่านผู้สแสวงสัจจะพระธรรมเทศนาครั้งนั้นทำให้พระโกลทัญญะหัวหน้าของพวกเราบรรลุโสดาปติผลเป็นโสดาบันยังลงสู่กระแสะพระนิพพานก้าวลงสู่กระแสธรรมและจะไม่มีวันถอยกลับจากทางสายนี้เป็นอันขาดส่วนอีกสี่ท่านคือท่านพัทยะวัปปะมหานามะและอสชิยังมิได้สาเร็จมรรคผล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 มองดูปริพาชกสิทธิ์ของท่านอย่างเข้าใจในความรู้สึกของเขา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 อันว่าบุคคลที่เคยระหกระเหินมานานวนเวียนหลงทางอยู่ในป่ารกอันน่าวาเสียวด้วยอันตรายนานาประการมีอันตรายจากสัตว์ร้ายและไข่ป่าเป็นต้นได้อาศัยบรุดหนึ่งชี้ทางให้ขึ้นสู่มักคาอันจะดำเนินไปสู่แดนกระเสมแม้จะยังอยู่แค่ต้นทางก็ให้รู้สึกโปรงใจมั่นใจในความปลอดภัยฉันใด บุคคลผู้ระหกระเหินอยู่ในป่าแห่งสังสารวัตรนี้ก็ฉันนั้นถูกภัยคือความเจ็บความแก่ความตายความทุกข์กายทุกใจเพราะเหตุต่างๆคุกคามให้หวาดหวั่นครั่นพรึงอยู่เนืองนิดถูกความไม่ได้ดังใจปราถนาบีบคั้นให้ต้องเสียใจครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาก็ยังหวังอยู่นั่นเอง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 แต่พอได้บรรลุธรรมคือโสดาปติผลแล้วเข้าสู่กระแสพระนิพพานแล้วเขารู้สึกตนได้ทันทีว่าได้ออกจากป่าใหญ่แล้วดำรงตนอยู่ต้นทางอันนำไปสู่แดนกเกษมแล้วถ้าเปรียบด้วยผู้ดำผุดดำว่ายอยู่ในมหาสมุทรก็เป็นผู้รอยคอขึ้นได้แล้วมองเห็นฝั่งอยู่ข้างหน้ากำลังเดินเข้าหาฝั่งจะต้องขึ้นฝั่งได้แน่นอนไม่จมลงไปอีก